เรียงกับครูอาจารย์มาจนได้สมาบัตแปดอันนั้นไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพูดอย่างนี้จะหาว่าหลวงพ่อโกหกมาไม่ใช่โกหกพูดความจริงให้ฟังเรื่องให้ทานเขาก็มีมาก่อนแล้วเรื่องรักษาศีลก็มีมาก่อนแล้วเรื่องทำกรรมาฐานก็มีมาก่อนแล้วพระองค์นี่เป็นเรียนกับอาลาดาบุตรุตกาดาบุตรจนได้สมาบัตแปด และพวกเราจยู่ที่นี่ทําได้สมาบัตแปดไม่ได้เลยและเราอยังเข้าใจว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจา้าอันเข้าใจว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจา้าเป็นคนสลาดหรือเป็นคนไม่สลาดอ า, าจจะมาคาดว่าเป็นคนไม่สลาดเธอจะเรียนจบประโยคสิบก็ตามพูดถึงไม่ไม่พูดประโ ย, ยคเก้านะพูดประโ ย, ยคสิบเรียนจบประโ ย, ยคสิบก็ตามยังไม่สลาดพอแต่คนเรียนทางโลกแับ น, นี้ จบปริยายเอกเ่ยจะว่าคนนั้นสลาดหอย่างสลาดไม่พอสลาดแบบนั้นเดียเ๋ยวนี้นักศึกษาปริยาตีปริยาโทรปริยาเอกดีมากแต่บางคนพูดให้ฟังในน้อยก็เข้าใจบางคนพูดให้ฟังไม่เข้าใจเลยอันนั้นเรียนจะถือว่าเอาความสลาดไหมเรียนยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่สลาดยิ่งเรียนก็ยิ่งถล้าเข้าไปในตำหรับตารามันเป็นอย่างนั้น มาวันนี้ก็ต้องพูดความจริงสู่กันฟังเพราะบางทีอาจจะไม่ได้กลับมาทางนี้กลับเข้ากรุงเทพแล้วก็จะกลับไปเมืองเลยบางทีตายเส้นกระตินนะเดี๋ยวลูกอาจจะมาก็ยังตายก่อนทั้งหมดเราเนี่ยสินั้ย น, นยังเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยวันนี้ก็มาตามเอาจะให้ไปลอยลูกตายวันนี้นนตายคืนนี้งูกัดลอยให้ไปไปทําไมตายแล้วก็เรียกขาดงูพอไปก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ตายแล้วนี่ให้ไปจุดอา้าวให้จุกก็ได้ ใครก็ไปจุดได้ไปฟังได้ไปทําได้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ไปกระทาได้ต้องทํากันเองช่วยได้แต่เมื่อยังมีลมหายใจเท่านั้นตายแล้วช่วยไม่ได้ญาติโยมก็เช่นเดียวกันจะหาว่าหลวงพ่อมาคอยตำหนิมาคอยจับผิดดูทุกว่าตายยนะังไม่คือมาเตือนจิตสักิจใจให้เรารีบลงมือไถ่ปัญหาตัวเองให้มีความเห็นให้ถูกต้องฟังความพระเทศใสเป่ง ถ้าฟังคำพูดคำสอนของพระเทศไม่เป็นเราก็เลยจะไม่รู้ไม่เข้าใจอําสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละต้องการควรไม่มีทุกแต่ความจริงนั่นความไม่มีทุกนี่มีอยู่แล้วเหมือนกับที่เรานั่งอยู่ที่ศาลานี่เนี่ยใต้ศาลาลงไปพืช ด, ดินมีน้ำขุดลงไปที่ตรงนี้ต้องมีน้ำจริงๆอะไรเงี้ที่ไหนก็ต้องมีหมดดังนั้นคนทุกคนต้องมีแล้ว อันควรไม่มีทุกขนะ์ที่ว่าเปรียบเทียบให้ฟังอะเหมือนกับใต้สลาลงไปขุดลงไปตั้งเจอน้ํานจริงๆบันนี้ก็มาพูดเรื่องคนเยทุกคนต้องศึกษาลงไปที่จิตที่ใจของเรานืกคิดมีแล้วที่ไม่มีทุกข์มีแล้วคําว่านิพพานนิพพานนั่นจึงเป็นลูกตุ้มไม่ให้คนตายเร็วถ้าคนใดไม่เอานิพพานไปใช้ก็ตายเรนะ็วตายเร็วจริงๆ ทำไมจึงตายเร็วคนใดโกรธนักมากช็อกตายเลยแต่ไม่โกรธถึงที่ก็ตายลงไปวินาทีโกรธครั้งหนึ่งตายวินาทีโกรธสองครั้งตายสองวินาทีโกรธนานๆเขาตายเป็นถึงวินาทีเป็นวินาทีแล้วก็เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็เป็นสองชั่วโมงไปให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นความโกรธนี่แหละมันเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ความโกรธแล้จะไปหามันได้ไหมหาไม่ได้ าสิ่งที่ไม่มีคมโกรดนั่นแหละคือมันไม่มีโกรดเดียวเนี่ยในขณะนี้คมโกรดมันมาโดยวิธีใดก็มาโดยที่เรากำลังลืมตัวลืมจิตลืมใจลืมชีวิตของเราเมื่อเราลืมตัวลืมตัวขณะไหนเวลาใดก็คมโกรดมันจะเข้ามาเพราะเรามีคมหลงพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เรามีสติภาษาเพื่นบ้านเราเรียกว่า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 ไม่รู้จักการทำการพูดนั่นเองเมื่อไม่รู้จักการทำการพูดการคิดของตัวเองแล้วพูดผิดเขาตำหนิเขาหนินทาเมื่อเขาตำหนิเขานินทาใส่ลายป้ายเสียเกิดไม่พอใจคนใดไม่พอใจแล้วนั่นแหละคือนรกนรกเนี่ยไฟไฟนรกไม่มีแปลไฟหุงต้มมีแปวแต่ไฟหุงต้มนั่นะ่ะเรารู้เราเห็น แต่ไฟนั้นลกไม่มีแตลเราไม่รู้เราไม่เห็นคนไม่มีตาทิพย์จึงไม่เห็นคนมีตาทิพย์จึงเห็นคนมีตาทิพย์ก็ต้องเห็นต้องกัดคนไม่มีตาทิพย์คนมีปัญญาเมื่อมาถึงเราต้องแก้เจ็แ ก, แก้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้อย่างนั้นคนบูราณจึงว่าสอนว่าหลังคาบ้านเรามุงดีๆยิ่งมุงดีก็ยิ่งบางดีฝนตกจึงไม่รั่วไม่ลด ฝนตกจะไม่ไม่ถูกเรามันไม่ร่วลงมามันก็นไม่ลดเราแดดออกมามันก็นไม่ถูกเรามันก็เนี่ยแหละมันบังดีแล้วบันนี้ความชั่วบันเนีย้ยิ่งปกปิดเลยยิ่งบงังมันเลก็ยิ่งรั่วออกไปยิ่งรั่วเพราะเพราะเรายิ่งพูดคนได้โกรธขึ้นมาเสาลงจะพูดจะได้มันผิดผิดใครยิ่งโกรธยิ่งแสดงความไม่ดีออกมาเนี่ยยิ่งพูด คนอื่นก็ยิ่งได้ยินย่างนั้นควอมชั่วยิ่งปกปิดยิ่งรั่วลดออกมาให้คนฟังดังนั้นพวกเรามาที่นี่อย่าแสดงค้อมชั่วแต่คนไม่รู้จักค้อมชั่วคนจะเอาค้อมชั่วมาแสดงเมื่อไม่รู้จักว่าสิ่งนี้ค้อมชั่วเราก็ต้องพูดไปนึกว่ามันเรื่องของดี<ม>นย่าองนะอันควอมทุกข์ก็เช่นเดียวกัน เรานึกว่ามันโกรธขึ้นมาแล้วมันสบายใจได้พูดให้คนนั้นคนนี้เนี่ยสบายใจเบาใจเนี่ยได้พูดไปเต้นปากต้นผิดอันนั้นแหละแสดงว่าแสดงข่มโง่มากที่สุดใครใครเขาตันเนี่ยอย่ากจะูหาว่าดงพ่อพูดให้คนนั้นคนนี้นั่นพูดข่มจริงสู่คนฟังต้องการข่มจริงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยทุกคนต้องการข่มจริงดังนั้นข่มชั่วไม่ควรพูดถึงเราเระงับไม่ทันก็ต้อง ปากไว้ยังไม่พูดความดีเนี่ยเราต้องพูดได้ทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีคนพูดดีทดําดีคิดดีท่านเขเรียกว่าบัณฑิตคนพูดชั่วทําชั่วคิดชั่วท่านเขาเรียกคนพานณิคนพาณภายนอกคนพาณิาาภายนอ ก, กส่วนเราไปในทางที่ผิดคนพาณภายในคือเรา มันส่วนเราพูดในคาชั่วคาหยาบนั่นเองดังนั้นพะ ร, ระจึงแปลผู้สอนคนไม่ใช่ว่าสอนจะไปทำมาหากินนะไม่ได้สอนอย่างนั้นคนมันต้องกินข้าวมันต้องนุ่งเสื้อ น, นุ่งผ้าเราต้องไปหายารักษาโรคดีไหมเมื่อไม่มีเงินนะจะไปอะไร มันก็ไม่ได้กินเพราะทุกวันนีม้มีการซื้อการขายถ้าไม่มีเงินจะไปซื้อเสื้อเสื้อผ้อาที่ไหนมานุ่งมาถือถ้าไม่มีเงินจะไปเอายาที่ไหนมากินมันต้องไปโรงพยาบาลก็ต้องจ่ายเงินจ่าท้องจึงว่าขันติข่มอดทนจงอดทนต่อแดดต่อลมต่อฝนอดทนต่อสู้การงานพุกประเภทคนนั้นจึงว่ารู้จักหน้าที่ของคนพระพุทธเจ้าตรัสสรุปเพราะการทําทางจิตทางใจ แต่ทำไมจึงไม่รู้ก็พระองค์บอกว่าเราตัดสะรู้เพราะการทางใจแต่เราเคยรู้ใจเราไหมรู้ใจรู้มันคิดแต่มันคิดอยากไปตีเขาก็ไปตีคิดอยากไปกินเหล้าก็ไปกินคิดยาไปเล่นการพ น, นันก็ไปก้ยหลายอย่างโยมเขาว่ากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดมันอยู่ที่ไหนกิเลสพันห้ามันก็อยู่กับขันห้านี้เอง ปัญหาร้อยแปดอยู่ที่ไหนก็ดูเรื่องอดีตอนาคตกับปัจจุบันนี่เองอดีตอนาคตปัจจุบันมีเท่าไหร่สามสิบหกเนี่อสัสอดีตสามสิบหกอนาคตสามสิบหกปัจจุบันสามสิบหกสามหกก็สิบแปดนั้นเป็นยังไงแต่เราไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนมันไม่มาจากอดีตก็ามาจากอนาคตปัจจุบันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ารู้ เร่อพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องปัจจุบันแต่เราไม่เคยรู้ปัจจุบันเลยคิดแล้วเขาไปทันเลยทีเดียวเขรู้ควาคิดแบบนั้นถ้าองค์ท่านสอนให้เรารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจมีสติควบคุมกายวาจาใจกันนั้นอย่างนั้นจึว่าถ้าหากภิกษุหรือฆราวาสญาติญมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวทศน์อยู่นั้น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 ดังนั้นจึงว่าให้เรารู้อยู่ในขณะปัจจุบันนี้เองในขณะนี้แหละเดี๋ยวนี้นี่แหละปัจจุบันนี่แหละจิตใจเราเป็นยังไงนี้ปัจจุบันนี่เป็นยังไงจึงว่านิพานเป็นลุกตุ้งให้คนมีชิวิตอยู่ได้กับคนนิพานเมื่อไม่มีมนิพานไม่ปรากฏข่าวใดแล้วก็มีโกรธมีดีใจมีเสียใจจิตใจต้องวั่นไหอ ย, อยู่เรื่อย เพราะมันมีลมพัดอยู่เสมอดังนั้นการปกติกายปกติวาจาปกติใจอันนั้นแหละที่ว่าเป็นสมบัติของมนุษย์จึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไม่ใช่เป็นสมบัติของปุถุชนไม่ใช่เป็นสมบัติของสัตว์เวลือสานไม่ใช่เป็นสมบัติของเป็มันเป็นสมบัติของมนุษย์มนุษย์จึงแปลว่าผู้ใจิตใจสูง เป็นผู้ที่หักห้ามจิตใจได้มนุษย์แปลวผู้มีจิตใจสูงออกจากมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงกว่ามนุษย์สัตเทวเทวดาก็คือคนธรรมดานี่เองคนใดมีหินิมีโอตตะปะมีกลมละอายต่อการทำการพูดในขณะไหนเวลาใดนั่นแหละเป็นเทวดาเห็นไหมเหยือมนุษย์สัตเทว มนุษย์เป็นอรอินทรพระพรมก็ได้คนใดเห็นนะกําลังเขาทําเขาพูดเขาคิดเูาเขาไม่รู้เขาจึงทําเขาจึงพูดอย่างนั้นก็มีความสงสารเมตตาให้อภัยเขาก็เรียกว่าเป็นอินเป็นพรมนั่นแหละก็ไม่เอื่นงใจเมื่อมาพูดหลักธรรมะให้ฟังโยมไม่ชอบโอ้คุณบัญชีทาได้ทําไมมันทํำไมาได้แต่เมื่อยังเป็นปุถุสุด เมื่อเรารู้ทำเห็นทำก็ทำได้เหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าชื่ว่าเป็นภาริยาบุคคลคนใดเห็นจิตเึงนใจในขณะรำในขณะพูดในขณะขณะคิดเขาลบตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละคือเป็นภาริยาบุคคลพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ดีแล้วทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญนิโรธ ทำให้แก้เราพูดได้แต่เราไม่รู้ทุกข์คืออะไรเพราะการเคลื่อนไหวของรูปภาพรูป ก, กายเยมันเป็นทุกข์ทุกข์จึงแปลว่าทนไม่ไหวเราต้องกําหนดรู้อันนี้เมื่อกําหนดรู้อันนี้ปัญญามันจะเกิดขึ้นสมุทัยต้องละตัวสมุทัยก็คือตัวคิดนั่นเองเรียกว่าสังขารทันว่าอย่างนั้นภาษาธรรมเรียกว่าสังขารภาษาบ้านเราเรามันคิดไม่รู้จักหยุดคำวา่าคิดแลยไม่รู้จักหยุดนั่นแหละตัวสมุทัยจะทํำยังไง พระพุทธเจ้าท่านหนให้รู้สึกตัวบันนี้เราสมมุติเอานะ่นั่งอยู่เนี่ยกำมือเหย็ดมือพลิกมือขึ้นขว้มมือลงยกมือไปเอาเมื่อเรามารู้สึกตัวนี้มันก็วางความคิดเลยเมื่อมันไม่คิดล้วมันก็อยู่กับตัวนี้มันเรียกว่าเป็นวิชาอันมันคิดไปเรื่อยๆน่ะเป็นควาคิดของอวิชชาอวิชชาจึงแปลไม่รู้อวาจแปลไปว่าไม่วิชามันรู้รู้คิดออกไปนอกตัวเราไปสมุติไทยช่องละ เมื่อเราทํายังไงมันไม่ลูกเอ า, อ ย, าอย่างนี้อย่างนี้มันกระเทืออย่นี้มันรู้สึกตัวมันก็ะว่างความคิดมันมาอยู่กับคนรู้สึกความรู้สึกนี้จึงว่าเป็นคนแจกลูกสําคัญลูกเอกลูกหนึ่งหรือจะสมมุติว่ามันเป็นน็อตเป็นเกลียวหมุนออกมันออกได้พอดีวางตึกลงนี่มันวางความคิดพอดีวางความคิดเราก็ทําบ่อยๆอยูอยม่มักก็จะเลิน ต้องทําบ่อยๆทําบ่อยๆเขาเรียกว่าจเจริญถ้าทําอย่างนี้มันไม่หยุดเอามือมาโค้งหัวมือโคกงหน้าผากม า, า, าด้วยกันคคกๆพอเดินมาเก็บนี่ปุ๊บมันวางคขาคิดเลยเนี่ยสมุทัยส่องละมันเป็นวิธีง่ายๆดังนั้น พ, พ, พระพุทธเจ้าจึงสอนหลักธรรมศาสติศึกษาธรรมะกับธรรมชาติว่ามันไม่รู้มันไม่รู้มันจึงทําไปอย่างนั้นทําไปอย่างนั้นแล้วคนนั้นรู้จิรู้แบบไม่รู้ รู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผูร้รู้เนี่ยเราพูดให้ฟังแต่มันไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก่อมันเป็นเรื่องของขวาไม่เข้าใจเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำ น, นั่นมันถูกต้องมันพูกอย่างถูกต้องของเขามันไม่ถูกต้องอย่างคำพูดของเรามันเป็นอย่งไงนันรู้อย่างนั้นก็ดีแล้วแต่ว่ามันไม่ใช้เป็นทางพ้นทุกันนั่นพระพุะเจ้าสวัสดิทุกต้องกาหนดรู้สมุทัยต้องง มักต้องเจริญมักคืออะไรทำขมรู้สึกบ่อยๆอย่าให้มันหลับอยากให้มันสงบแม้มันหลับไม่ให้มันสงบมันก็ทุกข์อิล่ะเอาคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญาทาันวายนไม่ใช่ล่วงทุกข์ไปได้เพราะขมสงบเคยได้ยินไหมคนล่วงทุกข์ไปได้เพราะขมสงบได้อยังไงอคนล่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญาทาันวัยใช่ไห ม, ไหมคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญาทาันวาย่าน์ การไปนั่งสงบอย่างนั้นมันไม่ใช่สงบแบบวิปัสนามันสงบแบบสมถกรรมฐานหสมถกรรมฐานเป็นอุบายสงบวิปัสนากรรมฐานเป็นอุบายให้เกิดปัญญาเห่นไหอย่างนั้นวิปัสนาจึงเป็นปัญญาและมีความสงบอีกด้วยสงบจากอะไรสงบจากความโกรธสงบจากความโลภสงบจากความหลงสงบจากความยุ่งยากสงบจากความสับสนวุ่นวาย ความสงบจึงมีสองอย่างสงบแบบไม่รู้สงบแบบรู้รู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้ให้เราเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่ว่าทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละเราละไม่ได้เรียนนักธรรมซีจนเป็นประโยคสิบคิดไม่หยุดเป็นบ้าคนนี้จริงอย่างนั้นวันนี้เรียนไปโลกเรียนตั้งแต่ปหนึ่ง ถึงเปรยเอกนอนไม่หลับเป็นบ้าคนนึ่งก็รู้แบบไม่รู้อันนบนี้คนเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่เป็นเขารู้จักวิธีเทคนิคกลไกของของมคิดเขาหยุดความคิดได้แล้วสองคนนี้คนใดมีปัญญากว่ากันนี่เป็นยังไงเราต้องเอาคนที่แก้ทุกได้อ้าวสมมุติให้ฟังเรามีมีข้าวนะ่ะมีข้าวหลี บ้านยลวงพ่อเลีเข้าวผีข้ารีบมีพองใหญ่ๆท้อสลาเรานี่แหละของเข้ารีดแต่เขาไม่มีไนยบ้า น, นี้ข้าวเปลือกแต่เข้ามีไนยได้จากถังก็ได้แล้วมีเขา้าเข้ารีบจากพันถังแล้วมีเขา้าวอ้วเข้าวเต็มถังเดียวหนมจะเอาอะไรเอาเข้าวเต็มเนี่ยั่นแหละเราชอบแตจะเอาจะาขา้าวผีเขาไม่มีไนย แล้วเขาไม่มีไงมันไม่มีวิตามินกินเท่าไหร่ก็ไม่มีแรงเลยเนปีนางเขามีไงกินเม็ดเดียวก็ได้อับเม็ดเดียวนั่นแนหะไปแกะแล้วเป็นเนื้อไปต้มไปกินมันมีวิตามินดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมก็เช่นเดียวกันเราฟังทั้งวันทั้งคืนมีความตลกเฮหากันอันนั้นเขาว่าของไม่มีวิตามินยังว่าพูดธรรมะให้ฟังโยมไม่ซอกโยมก็ต้องเกียรติธรรมะพระต้องเกียรวิวิไนเนื้อ พอพูดธรรมาให้ฟังของห่วงนอนอพูดยังไงไม่เข้าใจนีเนนน่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจ้ะญาติโยมมาที่นี่ต้องพยายามฝึกตนเองอบรมตนเองพระพุทธเจ้าฝึกตนเองอบรมตนเองรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็นำมาสอนเนี่ย ัทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่ง น, นั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตรถาคตนี้<ม>ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตรถาคตนี้รู้อะไร <S <S เห็นอะไร <S 2> <S 2> ก็รู้กา ย, ยาา ร, รู้ใจ ร, รู้กายกายเนีย่านบ้านธรรมะเลยวรู้ลูกรู้น้ำภาษาบ้านจะรู้กายรู้ใจเลยไม่เป็นอย่างนั้น รู้ทำไหมรู้จักมันทารู้จักมันพูดรู้จักมันคิดเป็นสามปิดกพูดให้ฟังอย่าง ล, ะละันลัดสามปิดกคือพระสูตรพระวินัยสาย พ, พิธรรมพระสูตรตันตปิดกสองื่หนึ่งพันพธรรมขันพระวินัยปิดกสองหมืหนึ่งพันพธรรมขันรวมเป็นสี่0มืสองพันพนธรรมขันพระอธิธรรมปิดกเดียวสี่หมืสองพันพันธรรมขันรวมเป็นแป0 0มี่พันพันธรรมขัน แล้วจะไปเรียนครบจบได้ไหมไม่จบเลยย่อมคนที่กินข้าวเปลือกก็ต้องเรียนไปอย่างนั้นแะ่ะเรียนไปยังนั้นแแต่ไม่ศึกษาตัวเองอ น, นั้นเขาเรียกว่าศึกษาไปตามเรื่องอั้นคำว่าภาคสูตรพระวิไงสองปีดกเนี่ยกายจะทําคําพูดจะพูดมาจากใจใจสั้งให้กายทําใจสั้งให้คําปากพูดออกมาที่ว่าพระอภิธรรมคือตัวจิตใจ สั่งให้กายเรียนรัดพึดใจเดียวก็ได้ไม่ได้ไปปฏิบัติที่อื่นปฏิบัติที่ไหนมันโกรธขึ้นมาเราเห็ น, เ ร, เ, หนเรารู้มันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เรียกว่ากันเมื่อเราโกรธขึ้นมาเราไม่เห็นพอโกรธแล้วคนรแล้วแก้เนี่ยอดอาะอดอเนี่ยแก้อันนี้เป็นเาแก้แก่มันแก้ไม่ได้ดังนั้นคนเราทุกคนเมื่อไม่ทำผิดจะไม่รู้ ข่วมพิงเป็นครูค่วมผิดพลาดจึงเป็นครูคนใดไม่ทําการไม่ทํางานไม่ศึกษาจะรู้จกักค่วมพิดพลาดไหมไม่รู้เพราะเคยไม่ไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติอะไรก็ น, นึกว่าเราทําดีทั้งนั้นทําอะไรก็นึกว่าเราทําดีแต่ข่วมจริงค่วมไม่ดีมันพรอยอยู่ในตัวนั้นมรรคผลนิพพานหาเอามรรคผลนิพพานนะง่ายที่สุดง่ายที่สุด ท, ทําไมบางง่ายได้ อยู่ที่ไหนไม่เยือดร้อนใครจะพูดอะไรเรื่องของเขาเห็นเขาทําผิดก็เขาไม่รู้เขาจะทําผิดโยมโกรธเนี่ยโยมเคยโกรธไหมเกิดไหมแล้วโกรธเป็นยังไ ง, ไงสบายใจไหมไม่สบายโกรธทาไมก็เพราะไม่รู้ใช่ไห ม, มนแน่นั่นาการคือนันว่าเห็นเขาทําผิดหน้าสงสารเขาบ้างเพราะเขาไม่รู้นี่รพระพุทธเจ้าธรรมสอนโย่โยมเมตตาเมตตาใ น, นที่เนี่ยเห็นเขากําลังทําผิดบอกเขา แต่เขาไม่ฟังหน้าสงสารเขาบ้างเห็นเขาโกธรเนี่ยพูดตรงตรงเห็นเขาโกธเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นทุกข์เขาจึงโกธขึ้นมาแต่ถ้าทุกคนอ่ะโอ้ยโกธเป็นทุกข์โกไม่โกธแล้วเมืม่อไม่โกธแล้วเป็นยังไงนั่นแหละครับพลิกสุ่และญาติโยมอยู่โดยชอบพระคารังหันก็ไม่ว่างจากโลกคือเห็นนั้นโกธขึ้นมามันเป็นทุกข์ก็หยุดกันนี่นี่ฝาละขันเห็นใกล้ใไม่ไกลที่ว่าของใกล้ไม่เอา เอาของไกลๆเนี่ยไปไงอันนี้สมมุตินะบ้านหลวงพอ่อปล้อยวัวควายออกไปหญ้าที่มันป้งยุบกระปักคอควายนะมันได้กินเลยเขาว่าหญ้าปากคอควายมากินไปกินไกลๆหญ้าเฮีเ้ยนเป็นเล็มกินยเยอะนั้นแต่หญ้าปากคอมันสวนมันงามไม่กินคนเราก็เช่นเดียวกันมรคนในพานอันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่อยากเอามาใช้เลยพูดให้ฟังเลยเอ้ยเป็นอย่างนั้นแหละหลวงตา เขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้ประตูของเขาพราะเขียนไม่เป็นจริงอ่านไม่ได้ชินนี่เป็นอย่างนั้นนี่ว่าคนเรามันไม่รู้มันจึงทำผิดพูดผิดคิดผิ ด, ดเห็นเขาทำผิดพูดผิดแล้วก็เป็นเรื่องของเขาแต่สงสารก็จําเป็นสอนไม่ได้พูดไม่ได้ก็ต่อยไปอย่างนั้นไะเยอะอยากไปทำอะไรกับเขาดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาตัวเองไม่อยาก เมื่อแก้ปัญหาตัวเองแล้วการแก้ปัญหาสังคมเป็นเรื่องเล็กน้อยอันนี้เรามุ่งอยาไปแก้แต่ปัญหาคนอื่นตัวเองไม่อยากแก้เมื่อไปแก้คนอื่นคนอื่นไม่พอใจเระเราเกิดไม่พอใจเป็นทุกข์กับเขาอีกแล้วนานนักตากลุ่มพระเดียบุคคลอาจารย์ที่จะว่ากระตกน้ำโลกพร้อมกันทั้งสองคนดังนั้นเราเห็นคนตกน้ําบำไปเลยพคนเรื่องคนตกน้ําเราจะไปเอาคนตกน้ําจะทําอย่างไงคนจมน้าจะตายแล้วไปเลย เราจะไปผัดเสื้อผัดผ้าอยู่ยังจะไปเอาคนนั้นจมน้านตายเพียงเลยวันนี้เราเห็นคนจมน้ำํำจมน้ํำจะตายเราต้องจําเป็นต้องเปียกกระโจนลงไปเราผ้าก็ต้องเปียก อ, อย่างที่เนรกับอาจารย์สอนลงหมดตัวเลยพอที่กระโจนลงไปเราไปจับเอาคนจมน้ำพอนี้ไปจับเอาคนจมน้ำํำย้ายคนจมน้ําจับเราถ้าคนจมน้ําจับเราแล้วเมื่อมันตายแล้วมันจะไม่วางเรามันจะกํามือเราเราต้องตายด้วย วันนี้เรารู้จักวิธีที่จะแก้แล้วก็โจรลงไปจับเอาคนจมน้ำแล้วก็ลอยเข้ามาพอดีมันตายแล้วดึงมาไม่ได้ก็ปล่อ ย, อยงไปอันนี้ก็เหมือนกันท่านสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนได้เฉพาะบุคคลผู้ที่มีธุลีในตาเทานั้นคนใดที่ไม่มีธุลีในตาแล้วสอนไม่เอาเนี่ยพระพุทธท่านสอนอย่างนั้นวันนี้ที่อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมได้มาพบหน้าเห็นตากัน ก็เลยพูดความจริงสู่กันฟังคนใดมีแนว ค, คิดว่าจะแก้ปัญหาตัวเองก็ต้องแก้ที่จุดนี้คนใดแก้ตัวเองได้แล้วก็ไปแก้สังค ม, งคมตัวเองพ้นไปจากความทุกข์แล้วตอกแสังคมพ ร, พระเจ้าทาันะ้งประอน่ะเธอทั้งหลายเป็นผู้พ้นแล้วจากภายัยเป็นผู้พ้นแล้วจากอันตรายจงไปเผยแร่ ทำที่เรารู้เราเห็